อำเภอสีเชียงใหม่อายุก็เก้าสิบกว่าปีแกก็อง์หลวงตาสองหรือสามปีก็ไม่มั่นใจสองปีละไลถ้าแกก็สองปีก็คงจะเป็นเก้าสิบห้ามรณาภาพเมื่อวานในศพของท่านก็เอาไ ว, ท ว, ททาวาา้ที่วัดเทพสิรินทราวาสอาบน้ำศพรถศพที่วัดเทพเจดวัน จากนั้นเขาคงเะาขึ้นมาวัดอรันแต่หลวงพ่อคงไม่ลงไปกรุงเทพหรอกคงจะคอยรับอยู่ที่วัดอรันนี่แหละคงจะไปคารวะศพองค์ท่านอันนี้ก็ล่มโพล่มไซของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้เทศนาว่าการพี่น้องประชาชน เป็นที่เคารพนับถือคนทั่วประเทศเพราะงั้นแ่ละและองค์หนึ่งก็ท่านมหามังกรวัดภูหินดังอันนี้ก็เป็นพระรุนน้องของหลวงพ่อก็เป็นพระที่แสดงธรรมหรือเป็นนักเทศองค์หนึ่งเป็นที่นับถือเป็นที่รู้จักในวงการกว้างขวางพอสมควรอันนี้ก็ มรณะภาพแบบปุับปรับเหมือนกันอายุเพียงห้าสิบกว่าปีมั้งเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนนนะน่าจะคงจะมีเชื้อมาลาเรียหรือว่าไข้เลือดออกด้วยก็ไม่ทราบฟนงฟังดูแล้วเหมือนกับว่ายุงกัดยุงกัดอย่างนั้นแ่ะแต่ลุงพ่อไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่มรณะภาพเดี๋ยวนี้ศพอยู่ที่จังหวัดอุบลคงจะเผาหรือประชุมเพลิงวันที่สิบเอ็ด มิถุนาเนี่ยเนี่ยสรุปแล้วคือคือตายทั้งผู้เท่าตายทั้งพระหนุ่มบางงันแต่อ่อนก็หลวงพ่อนะคนนั้นหลวงพ่อเนี่ยไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทบางงันแต่กันนาบทั้งสองข้างแนละทั้งข้างบนทั้งข้างล่างข้างบนคือคือองค์หลวงปู่เหลียนอายุเก้าสิบกว่าปีอันนั้นก็สมควรเพราะท่านอายุมากแล้ว แต่องค์ที่เล็กกว่านี่ยใตายเนี่ยน่าคิดว่า ง, งั้นแต่เพราะนั้นมรณภัยมรนังเมพาวิสติเนี่ยควรเจริญไว้อยู่เสมอเสมอไม่ควรประมาทควรคิดไว้อยู่เสมอนะีมรนังเมพาวิสติควรระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตาย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 ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดเป็นวันพระใหญ่แล้ววั น, นเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราญาติโยมทุกคนนะอย่างน้อยก็ให้มีศีลห้าวันพระอย่างนี้ควรจะมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นก็ศีลอุโบสถอุโบสถศีล น, นะถ้าหากว่าพอเป็นไปได้กันเนี่ย สีลห้าควรจะประจำตัวเองไว้อยู่เสมอนะ่วันสำคัญอย่างนี้เพราะวันพระใหญ่มันไม่ไม่ใช่มีบ่อยสิบห้าวันมีครั้งหนึ่งถ้าว่าเราปล่อยปา่าเลยจนเกินไปก็ให้ถามตัวเองว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเปล่าแต่ศาสนาอื่นเขายัง มีเ ว, มเวลาถี่กว่าเร า, เอาอย่างอิสลามอย่างนี้ละหมาดวันหนึ่งกี่ครั้งการศาสนาคริสต์ไปทุกอาทิตย์แต่เราเป็นพุทธเนี่ยปล่อยให้เราไปเป็นอิสระผลที่สุดก็เลยอิสระคำนี่ก็เลยปล่อยให้กิเลสดึงลากไปกินซะจนหมดจนไม่รู้จกักศีลธรรมจนห่างเหินจากวัดจากวา คนที่สุดก็เลยมีชื่อแต่ว่าเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ถามหาเนื้อหาสาระพระพุทธศาสนาควรทำตัวอย่างไรควรประพฤติตัวอย่างไรควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรไม่รู้เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะศึกษานะพุทธศาสนิกชนเพราพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญา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 ถ้าวัดสิบห้าค่ฝึกครั้งหนึ่งรักษาศีลครั้งหนึ่งต่อไปแปดคั่มรักษาศีลครั้งหนึ่งพอต่อไปเมื่ออายุกแก่ขึ้นมาแต่นึ่หมดความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างอื่นแต่นี่เอาหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมละบันรักษาศีลห้าเป็นประจําเลยแต่เอาไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินอยู่แบบผู้มีคุณภาพผู้มีคุณธรรม เป็นผู้เตรียมพร้อมอย่างนั้นเมื่อจึงจะถูกได้คล้ายๆเบื้องต้นกับมืดมาตโมตะมะปรายโนโชติคือมืดมาแล้วก็ควรจะสว่างไปตโมตะมะแปลว่ามืดโชติแปลว่าสว่างเบื้องต้นเราเกิดมาเราก็สาอแสวงหาทรัพย์เลี้ยงขอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่า แปลว่ามกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานเพื่อโสแสวงหาทรัพย์แต่พอเป็นไปได้และพอดำรงคงสีบอยู่ได้แล้วก็ควรจะหาหน้าเข้าหาศีลหาธรรมอันนี้เรียกว่าโชติบัติโชติปรรยาโหนมืดมาแล้วก็สว่างไปมันจึงจะถูกบางคนตโมตะมะปรายโนตโมตะมะมืดมาแล้วก็มืดไป แหมมืดมากับหมกมุ่นกับหน้าที่การงานอย่างว่าผลที่สุดเท่าแก่ชราก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหมกมุ่นไปอยู่ตลอดอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปแต่บางท่านก็โชติป ร, รายโนโชติอันนี้หายากนะไอ้ท้่แ่บสว่างมาสมัยเป็นเด็กก็รู้จักศีลรู้จักธรรม แล้วก็รู้จักไปตลอดจนถึงอายุแก่เท่าชรา ก, ก็เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมอันนี้แปลว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปโชติปรายโนโชติเหกนแต่ถ้าว่าถ้าแย่ก็ ว, ว่าทั้งมืดมาแล้วก็มืดไปแล้วก็สว่างมาแล้วก็มืดไปอันนี้ใช่ไม่ได้นะที่แรกก็เป็นคนน้อยคนหุ่มก็เออสว่าง ทำรู้จักศีลรู้จักธรรมเคยบทเรียนเขียนอ่านศึกษาธรรมะปฏิบัติพอเท่าแก่ชรามาลุ่มหลงมัวเมากับหน้าที่การงานกับการเป็นอยู่ของตัวเองอันนั้นแปลว่าโชติปรารยโนตโมตะมะสว่างมาแล้วก็มืดไปเพราะนั้นพวกเราให้ไตรตรองไข้ควรให้ดี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 ไว้อยู่เสมอพนะ่า น, นอย่างพวกเรามาวัดวาศาสานาในวันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นการส่อแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่กายวาจาใจของพวกเราส่วนพระสองฆ์องค์เจ้าคูบายจารั์ที่ท่านเป็นนักพรตนักบวชโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระกรรมฐานที่ท่านอยู่ในปา่ารงพงไพอยู่มาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าต่อมาก็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 ท่านก็ยังมาแนะนําพระสงฆ์ในพพุทธศาสนาให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษสันตุถีประมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐจากนั้นก็สอนให้ฉันมือเดียวอยู่ในปา่าอยู่อยาคุกครีคุกคลีด้วยหมู่คณะให้อยู่เสนาสนะอันสังกัดจากนั้นก็ไตรตรองธทรำร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 นอกไปได้แต่ส่วนจิตใจนั้นยังไปอีกไปปฏิสนธิใหม่อีกนี่พระพุทธเจ้าท่านทาไมตัวตัวเนี้ยตัวใจเนี่ยเป็นวัตตนยไปหาเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารนี่จะทำยังไงจึงจะไม่ให้มันไปเกิดอีกให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้มันใจมันหมดเชือ่อจะพิจารณาอย่างไร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 ความเศร้าหมองความผ่องใสที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็บอกว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นมีไหมมันมีมืดแล้วมันยังมีสว่างมันมีร้อนมันมีเย็นมันมีเย็นแล้วมันมีร้อนมันมีขาวแล้วมันมีดํามันมีสุขแล้วมันมีทุกข์ทั้งสองเงื่อนเนี่ยมันเกิดมาจากไหน ต้องสองอย่างมันเกิดมาจากไหนเพราะนั้นในคนาจุดเนี่ยจุดที่มันเกิดออกมาเนี่ยความสมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีมันเกิดมาจากไหนสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นท่านพี่ลานาถึงจุดนั้นแล้วใจตรงนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา พิยนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อพิรณาอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งพวงสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยปล่อยวางสรุปแล้วก็คือเมื่อใจของเราตายอย่างนั้นใจตายอย่างงั้นจ้ะอืมใจตายใจปล่อยวางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับร่างกายตายเป็นยังไงทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อกระทาพิรนาดูใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวาง ปล่อยวางเสร็จแล้วก็มีแต่ความบริสุทธิ์เท่นั้มีความรู้สึกในใจสิ่งที่จะให้ปันป่วนและแปรปวนทําให้เกิดทุกข์ยากลําบากมาลบกวนจิตใจของของคท่านนะไม่มีแล้วมีแต่ความว่างนิพพานังปรรมังสุญญ์ยังนิพพานสูญนิพพานังปรรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นี่แหะทั้งศูนย์ทั้งสุขอปุถุชนยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มาถกเถียงกันละบาทอันในศูนย์อันในสุขอันในสุขทำไมจึงศูนย์ถ้าศูนย์แล้วทำไมจึงมีสุขเนี่ยจกตากันละบาทไม่มีที่สิ้นสุดแต่ผู้ปฏิบัติถึงมักถึงผลแล้วไม่ต้องถามไม่ได้สงสัยในทำคำสาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนี้แต่เอาว่าผู้ยังไม่ถึงนะนะั่นแหะมาถกเถียงกันเอ ธรรมโอโนธรรมโอแตกเนี่ยจกตากันน่ะทะเลาะวิวาดกันเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจุดนั้นแล้วเจะธรรมปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนฟุ้ได้ไม่ต้องถามใครนะ น, นั้นพวกเราไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนั้นแหละทางว่ายังเวียนไหวตายเกิดจะหาความสุขไม่ได้นะมันต้องทุกข์แน่ๆอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเขได้ยินข่าวคนนั้นตายเดี๋ยวเขได้ยินข่าวคนนี้ตายเผอ่ยกับตายใกล้เข้ามาตายเข้ามาผลที่สุดก็มาถึงเราแต่นนะั้นเราตายแตนะ่ตายให้คนอื่นดูอีกต่างหากเพราะนั้นควรภาวนาไว้อยู่เสมอนะมรณงเมภาวิสติแลระลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงความตายแล้วเไม่หลงตัวไม่ลืมตนไม่ลืมตัวรู้เท่ารู้ทันทําสิ่งไหนก็ ทำด้วยความตั้งใจในทานรักษาศีลโดยความตั้งใจโดยความไม่ประมาทนี่แหละคนที่ตั้งอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้มีแต่วความเย็นอกเย็นใจนะไม่เดือดร้อนไม่บุญวายอย่างนั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางนะถ้าตอนนี้ไปก็รับพรวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดธรรมะแนวปฏิบัติเตือนพวกเราทันทั้งหลาย ให้ทําเหนียกทํานึกไว้นะ